มันยิเมตรสองพันห้าร้อยเมตรงานอะไไม่ต้องถูกทะลุมันยิงแบบลงรอบหมดมันกัดทลายให้ได้เป็นกรร้อยใช่ไหมกาดถะลุมันจะลายโดยแบบไม่ลงทะลุหุ้ที่ไปจากของผู้กำนังบอกว่าทหารเลยเอาเป็นบังเกอร์หลบทุกคนใหญ่ไปเลยแล้วก็สวนได้มันไม่ลงทะลุคนใหญ่อย่างเดียวกังคอคนใหญ่แถมอาก้า รรมึงเข้มาก็ไม่เขา้าทงมดหวแรกนะถ้าหวยใหญ่คุ้มได้ไม่ได้ถ้าหวยไม่คุ้มได้เนีน่ยนะฮะฮะนเอยแม่เอเอไอเ น, นี่ยผมแพ้เกมดีผมจะั่งเล่าตรงนี้ถามมันตั้งเท่าไรห้า5้0ยเมตรคัดมันเข้ามาตั้งแต่คือาชาวบ้านมาแจ้งตีสามเข้าใจว่ามันเข้ามาก่อน เดมัเข้ามาเมื่อไรก็ไม่รู้นี่เพิ่มาชาบ้านมาแจ้งดีสา ม, มเริ่องแบบนี้ไอทหารยนคนหนึ่งมันมาขอไม่สิดไปเท่าจุดยาเขาเลยส่งไปแจ้งให้มันก็ส่งไปเลยแล้วไม่รู้ทหารใครยังไงเนี่ยใครมุโลนะตอนมันจุดนะแล้วก็ใส่เปาบอกแก่บ้านบอกแก่มีอันเดียวขอใครแจ้งมันก็พูดออกมาเป็นปาะชา ย, ยนไม่รู้ พวภาษาภาษายอรมนมันรักมันยิงปืนพึ่งพุ่งพก็ต้องเลยหลบไปไหนไก้ยิงลงมันนะไม่ยินหน้านี่ใกลก็เลยหาทางหทางทำไมรู้ไหมหาทางลงหลังบ้านลงค่อยๆลงมาดูมันอยู่ที่ไหนเมือเห็นมันอยู่ข้างนอกมันมันอยู่รอบๆข้างนอกแล้วก็มันขดสต่น้ำเพาะบังตัวเลยไกลก็ย่องลงหลังก็ค่อยค่อยเลาะมาหาทหารที่ห้องลอย ไอฐานที่สงร้อยจะออกไปดูว่าจริงหรือไม่จริงเอาพ่อไปอย่างฐานมันจริงเลยมัอยู่แค่ร้อยไม่ถก็เจ็บเก็กบาดแค่บาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ไอผูครับหน่วยมั น, มนมโมโหนถึงขับรถตู้อับปฝันติดแตกคนเขอเป็นอะไร หลังพอพอตอนตอนเช่าเกิดยิงกันเม่ ก, มกะเล่นในกองรอยนี่กองร้อยผุดทางคือก่ตามมาลงไปปืนคอตั้งอีกเป็นตับแล้วก็ปืนใหญ่5้าร้อยเม็ดเป็นความจริงไม่ต้องใช้ปืนคออา้าตัวแล้วแหล่ะแล้วว่าอา้าตันยิงฐานไม่เข้าใช่ไหมกะใช้ปืนใหญ่ปืนคอมบอกตกรอบก็ห้าร้อยเม็ดเขาค่อยวัง การพับเพิ่นใหญ่เป็นคอนี่มันแค่นี้มันผิดไม่ได้แล้วมันมีทางถึกแล้วว่าทายยากไกลที่อถึกต่อสองลูกลูกแรกต่างไปถลูกสองโงไปอึดหลังอึดหลังตรงมลงละเป็นการแค่นั้นหมดลงรอบฐานหมดที่จะแจกควาบอกกับไอยู่นั้นเลยใช้บังเกอร์บังเกอร์เป็นคือหลบหลบกดชุนเป็นใหญ่เมื่อสวดจะเป็นเล็กเลยข้ามังก็สวดข้ามังก็สวด นีการบอกไปเจอมีทงอันเล็กออันเต่าแสงเต่าขึ้นไปบอกทงอะไรว่าเมื่อเปลี่ยนทุกทีเปลี่ยนไม่ได้ทงพ่อบอก็อตายแต่เราให้สอนทับถืนนาทีแค่แล้วไม่ไม่ได้มากเลยเพราะเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่ า, าเขาจะรู้จักหรือเป่าแต่ว่าไอ้ไอ้พระท้ายกงพันสาวนั้นมันรู้จักเราให้ทงพื้นใหญ่ไปจําของร้อยกองพันปกติไว้เนี่ยนี่เวลามันไปฐานมันก็เอาไปด้วย ไอ ko so so ้น้าเราูยิงเหมือนกันอยู่ห่างสี่กิโลเบิกสามสี่บน้าต่ไม่ลงอกันมันถึงไม่ไปไปเยี่ยมมาถึงจะได้วุนธนาบอกคุอคทับทวงเนี่ยเพราะมถึงเล็กๆแ่ไม่ทันใหม่ถ้าไปฐานสยใหญ่ลาบากต้งถือมาทำทรงเล็กๆที่ในม่ยิงบอกว่านั้นท่านก็อยู่ด้วยทุนทองอยู่ด้วยว่ายิงมาแค่สีกิโลมันเข้าไม่ได้ไอ้เบกนั่ก็ไม่บอกเราแล้วไอ้ค่ไม่หามันบอกก้คุณบอกแรงพอรึแล้ว ให้ยายาวไอ้สนทีนี่วันนี้ก็พูดไม่ได้เรายังไม่พร้อมไม่ใช่ทงเรายังไม่พร้อมไม่ใช่เรายังไม่พร้อมเลยพูดไม่ได้เพราะว่ า, อ, า, หาอหารเดี๋ยวนี้อาหารเตรียมพร้อมแล้วนะถ้าคนนี้ก็ระบายออกได้แต่ว่าเราต้องบอกกับสารเ้าเงของบ้านเหมนใส่ตอนนี้มีขาวเลยจ้นทำไมทางกรบก่าพก้งย้อูง อาไม่ใช่ขเขาเลยนะเขาต้องเตรียมเขาเตรียมไว้ก่อนถ้าให้ให้การเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะเขาจะกะที่ไว้ดีที่ไหนหมายความว่าถ้า ม, มันขับขันจริงๆนะถ้าคับขันจริงๆแล้วก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาต้องเตรียมก่อนไม่ใช่ถ้าศึกมาปๆๆมไปัดไปไปมันอนอนที่ไหนแือว่าอย่างนี้เขาต้องวางแผนไว้ก่อนถ้าคับขันมันยังไม่ถึงแทงเข้าต้องมาทักมา เป็นท่าจะไม่ปลอดภัยจะให้ไปักตรงไหนก็หาไว้ก่อนจเพอย้ายไว้ก่อนนะแบบไปพกอรันเอาลือเอาย่อยย้ายค่าเสบยไาไป็นสองสามพันตังหมดกลับมาใหมไปกินไรมาเขาเขาไล่ังคีก่อนนี่เื่อก่อนไหมเอาย้ายย้ายไปไว้สตังค์หมดกลับมาหมต่นี่ก็มีพวกเลยเพื้อพวกเมียตำรวจเนี่ยมันเป็กระต่ายเืนตูม ถ้าทางเขาคือคัมกมันไปก่อนไอ้พวกนั้นก็นึวกวา่าไอ้พวกมีตำรวจไปก็ต้องไปไอ้พวกไม่งั้นมันดูเมียทาหารถ้าเมียทหารย้ายมันย้ายแนล่ลไอ้มันมองดูทรอยเมียทหารไม่ย้ายมันยังไม่ย้ายเขากะไว้ก่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนจํานวนเนี้ยมีจะเท่าไหร่เนี้นยเจ้ากะสถานที่ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างได้ไม่ถูกครับทำเองถ้าไม่ทวงไว้มันจะจะต้องย้ายเลย ถ้าว่าวันนี้พูดอะไรไม่ได้พูดโรษมาตัวเองการทีสองข้อเราก็ไม่้อมต้องจัดหนังสืหาสุดแเขาถามไม่ครบถูกไหมไก็ไอ้การโษณาตัวเองนี่ก็ไมดีนี้มันเหมืนไมดีอะไรดีนีถึงเขาเขาพูดมาแล้วก็พูดไปตัวนี้ทันๆหน้าก็ยันมาตอนนี้อ้ผูเขากองวานๆหรือตามไปใหย่ใบเมื่อวานเนี่ย พ่อมปนมีต right. so, so, exactly. right ิดมาเลยไอ้เราก็หมดไอ้แฉะทั้งหมดแล้วก็เกิดสรื่องเครื่องเคร่กองเข้าการหมดใช่ไหมวันนี้เนี่ยสั่งให้ผู้กองทขานี้ยบอกมึงไปวันนี้แลวพรงนี้ให้ถึงไห้พวกนั้นให้ถึงไอ้พวกเข้าการให้รีบแกะอันี้ตามแนวานวาถอดหมวกเอาเนี่ยของลูกศิษพ่อมีเหรียญแหนติดหมวกตามก็ไม่มีติดมาเลยครับไอ้เราก็ไมรู้เรื่องอ้ราก็ติดแต่อัน ยังไงๆมันอยู่ด่านหน้าสุดเลยเข้าถือไม่ก่อนแล้วก็ท่านหน้าก็งเงียบสุดถ้ามันย่องมาไอ้ระหว่างที่เราไปมันก็อยู่ไอ้ค่ า, ายสุเอชระยนต์มันอยู่แต่นั้นนะแหละห่างเหยียดเศษเราไป500ห้าร้อยเมตรเศษไอ้ที่เรายืนอยู่ต้องไปอีกหนึ่งกิโลคุณทิ้งเศษเราใช่ไหมท่านหน้าจอีกไม่เศษนะมันก็โกร่มมั่งสุดนะ เ อ, อเรานั่งอย่นี้อีกตัวเลยอนนไอ้เนไอ้เาอ่ะย้ายาย่าเพิ่งเรียย้ายนะเขาสั่งซะก่อนเลยเดี๋ยวไปตั้งหมดจะตั้งมาตั้งตัวหม่ยแต่เราไม่ย้ายแน่เออในบ้านเดียวไงเขาก็ไล่เลยไม่ไม่เข้าไม่เข้าถึงหรกเม่ ก, กี้นี้ก็ขึ้นไปหาต้างเด็กชั้นอันนี้บอกว่า ให้สนะั่งทงโลกเข้าปานอีกหมื่นนะท่านสั่งไแล้วว่าโทไม่มาทำาที่แสนท่านพูดั้งรัชกาที่เทิงลายแถวเท่าไรท่านไม่ได้เราพันพอไหครับเราพัน ก, ก่อ น, ล แ, น, น, แ, นแล้วแตแต่ไม่เข้าีแสนไม่ขี้ไปสั่งนะสั่งพยัญชนะเาปทั้งหมดแล้วไม่เหลือว่าแจกให้ของท้งบ้านนะครันย ก็เราถ้ามีหลายบ้านเราไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องมีรูปปัานได้เท่ามคุ้มถ้าคุ้มอยู่แล้วท้งเล็กนะไอนี้เขาเห็นรูปเข้าไปเ้าไม่เห็นรูปเข้าไปเ่าเกิดไม่มั่นใจดิกำลังใจยู่ตรงนี้อีกนะแลอที่ขึ้นไปท่านบอกท้าไม่ไม่นานั่งรู้ไวก็ท่งที่ตองทำผเด็อใจเขคือทำเองกันเ้าบอกฉันจะทาเองสั่งทดวนรถ้ายังก็ทำสั่งทําหมือนด่วน <karma> <can laugh> ทายทำไมเขาติดพื้นนี่คนนี้มันไม่มีจิตมันใจมันเสียว่ะนี่เนี่แต่ที่ที่คุ้มยู่ก่อนนะก็คือผ้ายันมหาใหญ่สงครามนะตอนนี้พื้นไม่ไปสักทีกไม่เคยโก้เลย เ, เ, ลลเาาสียตัวไหมได้เวลา ให้เพื่มเงิค่าเพื่มันแสนที่มีแล้วนะพิธีการติดนะ <c oughs> พิธีกรรมติดเนี่ยสองแสนนะท <c oughs> ุนะสมบูรณ์เอ้ได้น้อยนะพนะากินต่อเลยนะน <c oughs> <c oughs> ี่เขาเขากมาก็จะถ้ามาเย็่แล้วก็กลับกลับไปก่อนามายมติด่านมีอะไร เห็นเงนได้ที่บ้านเพื่อนเดียวเพื่บ้านเพืนเดียวมี่เึ้นไปพุทธิพันธ์ให้เราบอกให้แบ่งกระจายตัวออกไล่ซื้นี้ก็ตัวละตัวละตัวถ้าไม่ซื้อเขาก็แบ่งเหมือนกันถ้นั่งเ้าน่าทันเขาแบ่งแล้วก็หมดเรื่องใครเจอตรวใหมก็ได้แล้วก็พูดกันได้ใช่ไหานั่งถ้าหน้าทันท่านมาท่านเสด็จมาหมดพอท่านเสด็จมาหมดไอ้มนดาลูก มันก็แบ mm ่งมั่งแม่แบ่งพ่อแบ่งเ้าลูกก็แบ <laughs> ่งเขาก็แบ่งมาเ้าเก่งกว่าเราซ่ำเแล้วตายไปมาทําไงไหมเพราหนูเป็นลูกเนี่ยหนูต้องนั่งตักสิเขานั่งจักมันนั่งสองแสนนั่งคนมันนั่งหมดสมเด็อะไระเลาะต้นเดชถ้าเป็นพ่อนี่ยพ่อทํางานกว่าพี่น้องตลอดหลานหลานพ่อเขาก็อย่างนี้แหละแล้วก็ดท่านอะไรชมให้ทังคนคนที่ต้องคนที่ผมเก่งนะทั้งคน ช่วยงานหนักแล้เขาเลยบอกก็หนูมาเรียนโดยก็เด็จผัวเลยทงเรียนไม่ใช่ไหมประการสอนนี่ก็ต้องศึกษายไปท่านอยู่เสมอเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขราของท่านเองพับเห็นหน้าคนพบเพอสอนแบบนี้นใช่ไหมพวกเราก็มอยามอใหญ่ก็อนแค่นั้นนะยาดันมามให้ยืงมาแล้วก็ใสนะ่ นเวลาเวลาการสอนก็ต้องสป็ตามท่านท่านรู้มาท่านจะว่าท่านไปเองในพวกนั้นเขาก็ต้องเรียนเหมือนกันก็เขาแค่พระพระละหันเนี่ยไม่เครู้รอบก็หันไม่ช่วยตัวเองได้ไปช่วยคนอื่นยากคนที่รู้รอบช่วยคนอื่นได้ทั้งหมดก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่หันก็ต้องเรียนต่ออย่างพุทธาลุ่เหนอเวลาการสอนเวลานี้ต้องเรียนไปต่อเสมอแต่ว่าวันนี้ดีลกมาก เหนนั่งปับไอ้สองหินนอ้มันโดดพุบมันไม่เดินมันโดดมันกล่กล่าวมันกล่าวมันกล่าวมันโดดทุบหนูเป็นลูกก็ต้องนั่งหนลูกน้าแต่หนูก็ลูกไม่กันอีกทั้งสองแนสนน่งเต็มเ้าโตใหญ่เออมรน้ำรดน้ำไหลไม่ได้ไม่ได้เลยตักขยายไม่ได้เว้ย ไรอเขาถับาถามว่ามันนั่งตายทาไมนุ่มพ่อแบ่งได้นุก็แบ่งไมันแบ่งนั่มันก็แบ่งเหมือนกันเอาจีเสียงก็เขาจีเสียนกันล้วก็ทําแยกตามแรงําจุดําโสวะไม่แบ่ชัดมบ่งได้กเลยถามว่าไมมีความสุขจีิงไบอนี้มาสู่รการทั้งดลงอะไรมองดวงลาบอกมันเข้าเสพไม่ได้บอกเลยว่าเข้าเสพไม่ได้ หายได้ดีด้านไหนเขาไม่ถึงแนวยาวมันจ่อด si sa ้านไหนบ้างไม่สำคัญไม่ได้จ ani ่อด้านไหนทำไมสำคัญจ่อไม่เท่าเราบอกว่าจ้อไม่เท่าไอ้เดื่องทมันได้แต่ก็มาไม่รู้ตัวโผล่สักริโลสักริโลไม่ทำมันได้ใช่ไหมรู้ตัวกระเตื้นเอาไปท่านก็บอกเขาก็ตายมากแบบนั้นมันเรื่องขเขาไม่เรือเรามันเรื่อสนุก จะได้อะไรก็บอกนะอะไรแ้่ตรงนี้มีิลล จ, มจฉันอยู่ตรงนี้ที่ที่ตรงนี้ยังนานนี่นมันหลับหายสองวั น, วนไปติดชูกาแฟมาดึกืนไปเข้าไข่เข้าข้าวโพดสองเข้ากาแฟฉันตั้งฉันทา้าฉันทํางนานไม่ได้เลยทำงานไม่ไดาวันก็รลยสองข่วย ถ้าไม่แข็งกาแฟเราไปไม่ไหวแค่แขนงกาแฟเนี่ยทรมาสุดวันนี้นี่ถ่ายเฟอร์ดีถ้ากี่าใครให้เราเรเสกขยันยิ่งแล้วขุนไปไหนให้ลุงน้องเสกขยันให้ได้ทังนีคุณจะใส่พักไปไปน ไม่ด้เพราเอาจริงเขาไม่เอาด้วยถ้าปฏิแล like ้วก็เหนื่อยล้วทำไม่ได้มันทาสมเด็จได้มันได้ของประเภทนี้ถ้าเวลาทำพุทธเจ้าท่านจะต้องสเด็จท่านจะทำต้องก่อนก่อนบวงสรวงอะรู้เรื่องยังไนั้นเขาไม่ทำแน่เพราะว่ามันไม่ม่ใช่เรื่อไอ้แบบนี้ที่ต้องปวดทุกข์รู้ดมมาแล้วคุณปู่ครับภาพดีไหมครับ่วยด้ครับหลวงปู่ครับมาดูมาถ่ายรูปเลบ ก็ามันรูปเป็นเป็นโทนาตองปลูกฝุ่นะแล้วแล้ว<ม>นี่อยจะทำไปไหนแะคนเดียวไปทำสิไปทำไมคนเดียวพระยันตทังกมมลุมไปเลิกไปไหนกำไมันฉันเคยทำในใจเดียไม่ไม่เคยทำในใจทำถ้าทำของก็พระเจ้าทาต้องมาทำไม่ใช่ไม่ใช่เราทำ ทำมาทรงเดชได้หมเลยเราทำร็จนั่งไปไม่ถอนตัวเลย30มสิบปีพลวเจ้าท่านมาทุยเดียวไันได้นั่งว่าเลยดีมดิหมาไม่ก็พูดภาษาหมาเหอไม่เอ๊ะมาพูดภาษากูดีกว่าอือปันให้พูดภาษาหมาเป็นไหม เล like ี้ยมนั่งกงแม่พูดอะไรวะพูฟังมารู้เรื่องมาเอางงเลยอ้าอยากจะพูดแต่แก่ได้ยืดผมืออ่เคลื่อนใคร แล้วก็คุณที่คอออในสงสารเส้นห้หลงเนี่ยอ้าวเนี่ยจะสีตีขุงนหรือวะจะเท้าเส้นนี้ว่าอวะวันนี้ไปแล้วเหละสุขนี้ไปแล้วไอ้มาหนั่นหน้าหลบข้างหลังสังนก้ว่าแกงเนี่มันทำแย่ๆอ้าว ม่านมานี่ถ้าซ้อมมอนนั่งซ้อมมันเขาก็าดีมันชินใช่ไหแต่ว่าถ้าเราจะไม่เราไม่ควรควรคนั่งเขาซ้อมแล้วก็ไปตามมันเด้วยมันไม่ชินจล้วมัไม่คล่องตัวต่อไปก็ต้องท่านเผยเนี่ยปกเืยนวัสนสามียานพยานหนึ่งต่างียามให้คล่องตัวเจโตบริยา น, นะยานยาลายแรงมากสํางขัญมากเราจะไปไหนได้ไม่ได้ประตูเนี่ย ต้องดูจิตมันใสขนาดไหนครับถ้ามีสีปั๊บในช่วงเวลานั้นขับถ้ามันใสเืองกายทั้งดวงขนาดมันชำระก็อยู่แค่นี้เพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเป็นเด็กกับใครแต่าทาเพื่อชาระตัวเองถ้าเราทำเพื่อชำระตัวเองถ้าเราคล่องถึงคนปั๊บมันลูกเลยพอเขาบอกชื่อพระชื่อคนไปทั้งไหนไม่ต้องบอกก็พ่อหกก็รู้ไอจิตมันบอกชัดถ้านนมันขึ้นแก้ว คนใครจะได้ขนาดไหนก็ตามแแต่ดำปื้อแล้วแกก็หกเพลินเพราะว่าคนที่ก็ได้แล้วเขาก็ไม่บอกนะแม้แต่ที่เขาได้แล้วเขาไม่เด็กนอกจากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มหมายถึงว่าคนกเป็นคนพวกเดียวกันแม้จะเพิ่งเจอหน้านี่เขาก็รู้ว่าพวกเดียวกันคำว่าพวกเดียวกันเป็นสายเดียวกันแบงดับเดียวกันหรืออันดับไม่เท่ากันแต่นสายคําว่าสายเดียวกันสี่หมายว่า เดินไม่ผิดไม่สมัยว่าต่อยอาจารย์เดียวกันไม่ใช่นรือนะสายก็ขายมัไม่เป็นใจอันนี้เขายกวคุยกันแกต้งพูดถึงโอยไปเจอที่แบบเบิะบเบิบบะบะท า, ทาถ้ามันก็ไอกตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหบะบดีถามไปทั้มันมองนุ่นนักค่าเหมือนเลยคนไม่รู้ภาษาเลยนคนสอาคน คืนนั้นที่ขึ้นไปแล้วสมเด็จะบอกออกมาว่าเสริมเตือนหมดหลวงพ่อจำไม่ได้ที่ชื่อโม่คอนเสียนให้ไปวัดไม่สวสยสวยัดสาคัญตอนห น, นึ่งที่พุทธุมจะเข้ามีโรทัศสมาบัติถ้านประยุท์ทำงา น, นแล้วก็กลับมาที่กับไปคุยพุทธุมเนี่ยสวาย์เขาขับรถตัง้งรถขึนมาทงางนาเดีกันแล้วนั่งคุยสองคนงแ่บอกว่าท่ากว่ า, าวท่านไม่ป่วยนะท่านจะเข้านีโลทสมาบัตริร่วมโดยพระบุ คุยก like. right? cool. ันสองคนขนหลังอันน้องมตาเลยแล้วก็คุยกันอย่างนี้เอ้าคนนั่งแกวเลยนี่อยู่กันธรรมถ้าถือให้สองคนขนาดทำไงเกี่ยวมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะยัางก็คือเขาคุยกันสองคนแต่ว่าก็ต้องโดยคนขนาดนั้นที่รับฟังเน่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไม่เปลีนถ้าลงก็เป็นวิชาที่ผิดจ่คุยไม่ได้นี่แหละถ้าคุยกันสองคงหน้าลงนรกคุณรบกวนอะไรเพราะไม่เกี่ยก็ไม่เกื่ยบาบ่าวโบโบก็เสร็จเลย สดนรกกวนามาดีบ้ายชาชนูอีท่าหนูห้าร้อ500ย์นี่ยห้าร้อยจริงๆนะถ้าเป็นเศษกรรมเนี่ยอะไรก็ตามแตะรับห้าร้อยชาติจริงๆบ้าก็บ้าห้าร้อยชาติง่อยก็ง่อยห0 0ร้อยชาติถ้าไม่เต็มห้าหร้อยใรทำบุญเท่าไรก็ตามไม่จะไปนิพพานไม่ได้เป็นบ้าหายก็ต้นหลบตัว เป็นเศษผู้ฝ่ายทั้งหมดเขาทำด้งเด้งด้งเด้งตามร่องตรรมดาแวแต่ว่าจะดูเค่องเดียวทั้งคนนี้มันไม่ไม่สะสมเงินที่เก่งง่ายไอ้พวกนี้สังเก็เงินเข้ามากๆเขากมาเกนี่นี่เป็นจุดสังเกตนะถ้าจงมีเงินส่วนตัวไม่เป็นวิเศษก็ใช้ได้นะไอ้เงินเขาถวายเป็นส่วนตัวจริงจะจิบเข้าเสื้อเปนอะไรเขาสามารถจะเงินเงินนี้ม่ใช้เป็นส่วนกลางได้เนี่ยใช้ได้ ไอ้พวกส่วนตัวจริงๆนะมันมันตัวจริงๆเลยนะความจริงพลาเงินกส่วนตัวมันไม่มีเลถ้าถ้าไส่วนตัวตางพยาสายไม่ถูกต้องตัวเองมีสิทธิ์ซื้อกระเสี่ยวกรดซื้อกาแฟกระดาซื้อยารักษาโรคกระดาถ้าถ้าไหวเพ็นของสงฆ์ไม่ได้ยารักษาโรคก็มาซื้อไม่ได้ถ้าสงไม่ลงมาจุดไม่เงินส่วนตัวเนี่ยแทนเหลือจะควนจะเป็นเนี่ยต้องไปทำส่วนกลางหมดก็ต้องคิดว่าถ้าไม่เจตระเขาไหวไหม อลืมตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่บวชพระเน่ยใครก็ไม่ให้ดือีโถจะนําดูแล้วดูอีกไปทองอ่ะไรทองดีๆแท้ะสงสัยนั่นเนี่ยที่แค่นี้ก็แล้วกันใน่ไหมพ่อถ้าจริงลืมตรงนี้เป็นพ่อที่มีตางส่วนตัวไปซื้อไรชื่อนาเนี่ยลืมตรงนี้ น, นก็ลงนรกแหอยแห่มันส่วนตัวแบบพระไม่ส่วนตัวแบบครวัต ก็อบอกแล้วนะวนสมควรในสมณบริโภกเนี่ยเลยมาสมควรสมณบริโภคมันมีนาให้เช่าไม่ได้ซื้อข้าวขายถ้าขายไปส่วนตัวนะถ้าเป็นขอส่งไม่เป็นไรไแต่เอามาแล้วบกกงงส่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรก็ลำดับเหมือนกันนกะ็ แลยเาไม่เข้ากับส่นขอีกันเยอะนะเราถ้ญญาคเราบอกโตขึ้นเยอะประเทศไทย เ, ญญะะ <S <S เราก็เติ่มโัขึ้นเยอะนะแตเราก็ที่พูดสื่อการก็ไม่ได้ใครๆเป็นใครกันม่ไดอกเดยวนี้ก็เลยว่อยากรู้ว่าใครที่ท้าันองเราไปหมดใครเคยได้แล้วก็ฉันแล้วก็แล้วก็ดึงพวกเราเมื่อแค่เด็กคนก็คือเนี่ยมาถึงนั่งปุ๊บโทรทิ้มาเลยตอนนี่น้องหนู นองแก้มใจกะวันนี้วะมันมันดื้ออะไรเงี้ยบอกวันนี้ใจเข็นไม่ได้นะนอนใจก็ต้องพัดให้ได้นี่มาเปล่าอ่ะมาเลยจะไปบนฐานของแกต้องอยู่เนี่ยบอกแบ่งแล้วแลแบ่งบอกใจเข็นน้นไปไม่ได้แล้วนั่งนั่งมองมองไอ้เด็กคนไหนเลยแล้วก็ไม่ได้มองอะก็มองผ่านเพราอผ่านมาทีสุ ก็นั่นนีก็มองผ่านอีกทีแกพงทิพย์มาดูหนูขบอกน้องหนูก็จะต้องแกดีแลวแกเก่งได้แต่ฐานทำไมปล่อยน้องสีก่าแบบนี้มันดื้อที่คาว่าดื้อเห็นไหมว่ามันก็ต้องมีกฎกติกามบางอย่างบังคับไอ้คาว่าดื้อเสียนนันเองไม่ไปแ่ว่าไอ้คนที่จะต้องดื้อกันอ่ะดีมันไม่ไปทําบางอย่างกฎกติกที่เคยเอาของช้นเดิมทั้งวันดีใจเพืนที่เป็นชอบ ถ้าคนเป็นคนต้องการดีแพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ติใครว่าชั่วพระพุทธเจ้าไม่มีการติใครว่าชั่วใครก็ทําไม่ถูกสักกันมมองให้มองมอ ง, มองถ้าได้จังหวะทีะเปลียนถ้าหขาว่าเขาก็าาไม่ได้จังหวะไหมเขาก็ทำที่เป็นกุศลยังแท่ใจอยู่เตือนเท่าไรก็ไม่มีผลนี่คนมันมีทั้งดีและชั่วถ้าชั่วเข้าก่อน ก็ต้องรอจนกว่าโทษมันจะคลายโลอกไปแล้วก็ดีเท่าท่านมองดีท้ อ, อะแม่ลายมันจะดีอย่างพระวะรัคคิลสาแล้วก็ท่านนายพระพรามก็สามสิ